โปร่งปฏิบัติข้อปฏิบัติตามแนวทางจนได้เป็นพระพุทธเจ้าเลยเรียกว่าพระตถาคตแปลว่าผู้ที่มาเหมือนกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆมาอย่างไรก็มาอย่างนั้นนั่นหมายค่ะว่าพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสร้างบารมี10บอุป ป, ปารมีสิบปรัมัทธบารมี10บมหาบริจาค5อธิษฐานธรรม4จริยาสเป็นต้นเนี่ยนะ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 และพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะทรงแสดงธรรมแล้วข้อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงทรโลกนี้ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามและ ว, วิธีการสอนของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยนะสอนธรรมอันไพเราะในเบื้องต้นไพเราะในท่ามกลางไพเราะในที่สุดไพเราะในเบื้องต้นด้วยศีลสมถะไพเราะในท่ามกลางด้วยวิปัสนาและอริยมรรคไพเราะในที่สุดคืออริยผลทั้งหลายอันพระองค์แสดงธรรมแล้วไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทรงประกาศพรหมจรรย์คือศิก ข, ขาสามเรียกว่ า, าศาสนาพรหมจรรย์ ทรงประกาศพรหมจรรย์คืออริยมรรคพรหมจรรย์คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดระดับโสดาปฏิมรรคสกทาคามรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเนี่ยนะท่านพระองค์เนี่ยประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิง <c oughs> หมายคือว่าบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยจบลงที่อรหัตผลทั้นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าจบลงที่เป็นผ้าหาันนั่นแหละและต่อไปบอกว่า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 แมมีความสุขมากดีใจมากฉลองวันเกิดแฮปปี้เบอร์เต้ดีใจจริงๆเนี่ยนะแม่ถ้าไม่ได้เกิดนี่คงเสียใจแย่เลยนะมีบุญเหลือเกินที่ได้มาเกิดเนี่ยนะได้มาแบกขันห้าน้ําหนักห7าหกดแปกิโลก็แบกไปเนี่ยนะนะดีใจมากที่มาแบกน้ําหนักเนี่ยนะนะดีใจมากต้องมาหาทำมาหาเลี้ยงชีพทุกวันเนี่ยทำไรถ่ายนาอกเชื่อมทั้งวันทั้งคืนเป็นต้นเนี่ยดีใจมากที่ได้เกิดถ้าไม่เกิดจะได้มาอกมาเชื่อมอย่างนี้ไหมนะดีใจมากภูมิใจมากอย่างนั้นไหม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 บวกอะไรบวกโรคไงย้อนมาเล่าให้ฟังเมื่อกี้บอกว่าหมอทุกแกมยังไม่มาสักทีเพราะคนไข้ยเยอะเขาว่างั้นนะจริงหรือเปล่าไม่ทราบแต่หมายความว่าก็แสดงว่าแก่นี่มันบวกโรคมาด้วยนะบอกว่ามันบวกโรคมาด้วยมันบวกความเจ็บป่วยมาด้วยบวกความไม่สบายมาด้วยแม้ความตายก็เป็นทุกข์เลยนะโอ้โหพอได้ข่าวว่าตัวเองจะตายนี่เงือทุ่มเลยนะั้นโดยมาก แต่ถ้าบอกอีกนานก็จะตายถ้าอย่างนง้นสบายใจแต่บอกว่าเอกไม่กี่นาทีต่อไปนะเหงือท่วมเลยกขาบอกแม้เพชจะฆาดใจเด็ดนักฆ่ามาหาเหี้ยมมากบอกบอกคําสั่งประหารมาเนี่ยปัสสาวะร่วงเลยประมาณนั้นก็แปลว่าอะไรก็แปลว่ากลัวตายซะส่วนใหญ่แม้ความตายก็เป็นทุกข์เพราะมั่นใจได้ยังไงว่าตายแล้วจะไปดีนะหรือไม่บางคนก็บอกอู้ตายแล้วมันไม่เกิดอีกอย่างน้อยที่สุดก็ต้องพลัดพรากจาก ของรักเนี่ยนะพลาดพลาดจากลูกจากล้านจากทรัพย์สินอุตสาห์แสวงหามาทั้งหมดเสร็จแล้วก็ต้องตายนี้จากสิ่งเหล่านี้แล้วหนอะเห็นไะหมันความตายก็เป็นทุกข์แม้ความโศกเรียกว่าโศกก็คือสะอื้นในอกนะแม้ความสะอื้นในอกก็เป็นทุกข์เหมือนกันบางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยทุกข์ขนาดนั้นใช่ไหมมันกลืนน้ําลายไม่ค่อยลงทําไมคอมันฝืนแท้เนี่ยนะเอาน้ําใส่เข้าไปแล้วก็ยังแห้งผากเลยนั่นแหละ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 บริจาคไปสักระยะหนึ่งให้ของหมดไปเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวก็เลิกแล้วเพราะถือว่าตัวเองหมดไปเยอะแล้วก็เลยเลิอกอย่างคนที่รักษาศีล น, นี่ก็เหมือนกันถ้าไม่รู้จกักศีลก็ปานาติปาตาว่าเสร็จก็ว่าเสร็จแล้วก็แล้วกันไปเนี่ยนะแม้กระทั่งการเจริญนั่งสมาธิก็าตามเนี่ยนะนั่งไปนั่งมานี่มันนั่งหลายๆปีเข้ามันปวดหลังแล้วชักไม่เอาแล้วนะ่ชักไม่เอาแล้วใครมาชวนนั่งวมาหลังไม่เอาอีกแล้วเนี่ยนะเข็ดจนตายอย่างนั้น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 ทีนี้นิยามของคําว่าพุทธะหรือตรัสรู้หรือรู้เนี่ยรู้อะไรรู้ธรรมรู้ธรรมรู้ธรรมเนี่ยนะรู้อะไรก็บอกว่ารู้จัตุสัจธรรมนะรู้อริยสัจธรรมฉนั้นนิยามของคําว่ารู้ธรรมก็คือรู้อริยสัจธรรมอย่างบางคนก็บอกโอ้ไปที่ต้นโพเนี่ยนะไปพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วถามว่าพระพุทธเจ้าไปตรัสรู้อะไรที่ใต้ต้นพระศรีมห ah าโพนี่ก็ต้องตรัสรู้อริยสัจ เออแล้วอริยสัจมีอะไรบ้างแล้วตรัสรู้ว่าอย่างไรเนี่ยนะพวกโจดพวกนี้ต้องขยันตั้งมากๆเลยคนที่ขยันตั้งโจดอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าฟุงา้งซ่านเขาไม่เรียกว่าวิจิกิจฉาต้องแยกคําว่าวิจิกิจฉากับคําว่าปริปุจฉาให้ให้ดีๆโอ้ยเนี่ยมันปฏิบัติทำอย่างนี้ฟุง้งซ่านมีแต่ความสงสัยอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าสงสัยเขาเรียกว่าใครจะรู้เขาเรียกว่ากตตกา ม, มยตาฉันทะ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 แต่ไม่ได้แปลว่าอย่าอยากรู้อย่าอยากเข้าใจให้งูตามเดิมอนุรักษ์นิยมเอาไว้เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยอะไรสักอย่างเลยนะแล้วเหมือนดีอันนี้ไม่ดีแน่นอนนี่เขาเรียกว่าปรารถนาจะรู้พระองค์พระองค์งคิดตอนที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์ที่พระองค์ตรัสไว้ในหลายสูตรด้วยกันบอกว่าเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้เราเกิดปริวิตกขึ้นว่าเขาใช้คําว่าปริวิตกก็คือเกิดความคิดขึ้นว่า อะไรหนอเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจสำหรับรูปทั้งหลายรูปเนี่ยมันมีความน่าชื่นใจอย่างไรอะไรหนอเป็นพิษภัยทุกโทษของรูปอะไรหนอคือวิธีการสลัดออกจากรูปใครเรียกว่าถายถอนสลัดออกจากรูปสลัดออกได้อย่างไรพระองค์ก็ตั้งโจทย์เอาไว้สามคำนะ อะไรหนาคือความน่าเพลิดเพลินความน่าพอใจความน่ายินดีของรูปทำไมหนาถ้าหากว่ารูปไม่น่ายินดีก็ไม่มีใครติดในรูปเป็นแน่แต่ถ้ารูปไม่มีโทษก็ไม่มีใครอยากจะออกจากรูปเป็นแน่แต่ถ้าไม่มีการสลัดออกที่เที่ยงแท้ก็ไม่มีใครบรรลุธรรมเป็นแน่อะไรหนาเป็นความน่ายินดีของรูปบอกว่าความเพลิดเพลินเจริญใจสุขโสมนัตอันใดความสุขความดีใจ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 เป็นอริยสัจไหม้เป็นเป็นมัคคอริยสัต์หรือที่ใช้คําว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัต์เพรัะคําว่าตรัสรู้เนี่ยนะก็คือตรัสรู้ทุกขสัจตรัตรสรู้สมุทัยสัจตรัตรสรู้นิโรสัจและก็ตรัสรู้อริยมัคสัจทีนี้อริยสัตสี่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็อยู่ในชีวิตที่เป็นจริง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 วัดผลมาเออถูกต้องเนะีนะ่ยนเพราะถ้าหาว่าไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยแล้วเรารู้ได้ยังไงคิดง่ายๆว่าถ้าเราเดินทางเนี่ยนะโดยที่ไม่มีการตรวจสอบเลยยอมา ถ, ถึงไหนนะออกจากบ้านก็ขับรถไปเรื่อยเนี่ยนะเอาคี่เหยียบแต่ร้อยห้าสิบอย่างเดียวเลยนะถ้าไปสักสามปีเนี่ยอาจถึงไหนเนาะถ้าดีนะถ้าถนนมันวนก็ ย, ยังช่วยนะนะวนอยู่แต่รอบๆ บ, บริเวณนะั้นะถ้าถนนไม่วนเนี่ยโอ้ถึงไหนนาะ นี่ก็เหมือนกันนะการปฏิบัติของเราบอกโอ้เข้าปฏิบัติไปไกลแล้วบอกถึงไหนเนาอว่างเ้นนะถึงที่ไหนนาะอันนี้ก็ต้องพยายามที่จะตรวจสอบการตรวจสอบนั้นถือว่าเป็นความรอบคอบเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องมากแต่เป็นความรอบคอบในโลกนี้ให้ความสําคัญกับคําว่ารอบคอบเนี่ยสูงมากแม้แต่ทุกขอริยสัจเนี่ยนะเขามีความหมายว่าทุกเนี่ยควรทํำยังไงอริยสัจมีสี่ประการทุกควรรอบรู้ หรือควรไปศึกษาอย่างรอบคอบอ น, นะรอบรู้กับรอบคอบเนี่ยความหมายคล้ายคลึงกัน น, นะนะก็คือเข้าไปรอบรู้ไปปรับความรู้ปรับความเข้าใจว่าทุกเหล่านั้นนะคืออะไรนะนะแล้วต่อไปสมุทัยเนี่ยทายัางไงก็คือควรละแล้ววิธีละมีอยู่กี่วิธีละเด็ดขาดละอย่างไรเป็นต้นแล้วนิโรธอริอนิโรธคือพระนิพพานควรทําให้แจ้งแจ้งอย่างไรหนอ ไม่ยมเข้ามาถามมันเลยมาบอกว่าท่านท่านไอ้ที่ว่าทําให้แจ้งนี่มันแจ้งยังไงเขาบอกงั้นเหมือนลืมตานี่เลยใช่ไหมเขาบอกงั้นเออมันแจ้งเนี่ยเหมือนเปิดไฟแล้วมันมองเห็นอย่างงี้ใช่ไหมเรียกว่าแจ้ง เ, ออเขาก็ถามดีอ่ะนะแล้วก็ตอบอย่างกันนะแจ้งอย่างนี้เลยไหมท่านเขาบกงั้นบอกว่าอริยสัจเนี่ยมันต้องแจ่มแจ้งแบบนั้นเลยแหลนะเพราะอะไรเพราะสมัยพุท ธ, ธกาลนะเวลาเขาฟังธรรมจบเขาบอกว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าค่ะ แจมแจ้งนักพระเจา้าข่ากวางั้นเขาฟังทำจบเนี่ยเขาพูดอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะแจมแจ้งนักพระเจ้าค่ะเหมือนงายของที่คว่ำเนไมไงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดนั่นแหละเขาเขานิยามของเขาเข้าใจธรรมะเนี่ยเขาเป็นอย่างั้นของคนสมัยนั้นนะนะคนสมัยนั้น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 แล้วแต่มีตัวถ้ามีตัวบ่อยก็ไปบ่อยเหมือนกันปีนี้ไปกุมภาก็ไปตุลาก็ไปพฤชกิกาก็ไปกลับเมื่อหนึ่งธันวา น, นะปีก่อนหน้านั้นก็ไปไปทุกปีนั่นเละว่าไปทําไมบอกไปอยากรู้จริงๆว่าพระพุทธเจ้าตัดสรู้อะไรแต่ต้องอ่านไปให้เยอะก่อนนะไม่งั้นก็ไปเห็นแต่ต้นไม้นั่นแหละบอกถ้าไม่อย่างนั้นก็ไปนั่งใต้ต้นโพดูนั่นแหละถ้าหาว่าไม่มีความรู้อะไรก็ไม่มีอะไรหรอก เหมือนไปเที่ยวสุขโขทัยอยุทยาธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรมันจะต้องพยายามที่จะหาความรู้ให้ให้เพียงพอเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้เนี่ยนะมันถือว่าไม่รู้นะี่ออมาใช้คําว่าเสียดายชาติเกิดนี่แหนะเสียดายจริงๆที่มาพบพระพุทธศาสนามาพบศาสนาของพระพุทธเจ้าแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติตามพระองค์อย่างที่กล่าวตอนต้นเมื่อกี้บอกว่าผู้ที่จะตรัสรู้มีอยู่สามประเภทเท่านั้นหนึ่ง ตรัสรู้เองคือเป็นพระพุทธเจ้าแต่ต้องสร้างบา ร, รมีมาเขามีกติกาเงื่อนไขตถาอาคตโตหรือตถาคตเนี่ยนะผู้เสด็จมาอย่างนั้นต้องต้องสร้างบา ร, รมีขนาดไหนจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้สองพระปจเจกพระพุทธเจ้าจะต้องทำอย่างไรจึงจะได้เป็นพระปจเจกพระพุทธเจ้าอย่างที่สพุทธสาวกทั้งหลายก็คือผู้ที่ตรัสรู้ตามนี่ถ้าตรัสรู้ตาม ถ้าเราไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรแล้วเราจะตรัสรู้ตามว่าอย่างไรเนี่ยนะ